ตั้งใจนั่งธรรมะกันนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆแล้วก็เอาใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด รึนึกถึงดวงใสอจิตหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือใครเห็นองค์พระก็ตรึกนึกถึงองค์พระใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสหยุดในหยุด หยุดในหยุดตรึกในตรึกลงไปอย่างสบา ย, บายหยุดในหยุดหยุดในหยุดตรึกในตรึกลงไปนะจ๊ะถึงดวงใสๆองค์พระใสๆใครยังไม่ค่อยชัด ก็ค่อยๆทำไปอย่าไปบีบเก้ฑใจเพื่อจะให้เห็นภาพองค์พระได้ชัดเจนค่อยๆนึกไปนะตอนนี้ต้องใจเนี่ยเย็นที่สุดเลยนะค่อยๆก็คือนึกเบาๆนึกเหมือนเราไม่ได้นึก ไม่ได้นึกก็เหมือนกันนึกคือมันเบาเบาสบายสบายนึกธรรมดาธรรมดาถึงดวงใสใสกลมรอบตัวไม่มีหยักไม่มีงอเลยนะกลมเหมือนดวงแก้วบางคนนึกไม่ออกจริงๆเนี่ย เพราะว่าตั้งใจมากเกินไปพยายามจะไปบีบเค้นให้เห็นภาพไม่ว่าจะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยก็ตามถ้าตั้งใจจะนึกจริงๆก็ยังนึกไม่ออกเพราะฉะนั้น น, นับภาษาอะไรกับสิ่งที่เรายังไม่ค่อยคุ้นภายในแต่เราตั้งใจมากเกินไปก็นึกไม่ออก เพราะฉะนั้นอย่าไปฝืนธรรมชาติของการนึกคิดให้ค่อยๆนึกไปสบายๆแต่ถ้าหากว่าค่อยๆนึกไปแล้วก็ยังทำไม่เป็นยังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นก็ให้วางใจเฉยๆเอาหยุดกันิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่ง ให้หยุดนิ่งๆไม่มีภาพให้เรานึกไม่ว่าจะเป็นดวงแก้วองค์พระก็ไม่เป็นไรเราก็นิ่งเฉยๆใจหยุดนิ่งๆให้สบายๆ ส, ส, สบายก็คือมันไม่ตึงเกินไปต้องอย่าให้ตึงนะให้นิ่งๆเฉย ๆ, ๆ ถ้าใครทําการบ้านสม่ำเสมอได้ทุกข้อนะหรือเกือบจะทุกข้อเวลามันนั่งธรรมะพร้อมๆกันนะมันยังง่ายต่อการนึกนี่แหละจะคืออานิสงส์ของการทําการบ้านสม่ำเสมอนะจากยากมันก็มาเป็นง่าย จยกง่ายก็มาเป็นได้คือทำได้เลยนะเห็นไหมเจ้าว่าการบ้านที่ให้ไปเนะี่ยเพื่อตัวของเราเองเพื่อให้ตัวของเราเนี่ยคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้าเราไม่ลืมนะหลวงพ่อก็จะบอกทุกครั้งที่เจอกันว่าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด พระเดชพระคุณหลวงปู่พระคุณพบวิชาธรรมกายท่านตอกย้ำเสมอว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็เป็นที่เกิดดับหลับตื่นเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเกิดเนี่ยเราเกิดมาแล้วนะจะไม่สนใจกันไม่เป็นไร หลับหรือตื่นตรงนี้เนี่ยจะไม่สนใจก็ไม่เป็นไรแต่ตายตรงนี้นี่สิดับคือตายแตายตรงฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นประตูสู่ปรโลกเนี่ยไม่สนใจไม่ได้ไม่สนใจมันอันตรายแต่หากว่าเราทำพีด ผิดสูตรชีวิตมองกระใสคือถ้าใจใสก็ไปดีใจหมองก็ไปไม่ดีถ้าผิดสูตรเมื่อไหร่ก็เป็นอันตรายเหมือนนั้นไปสู่อบายทีเดียวบาปจะได้ช่องบาปที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยจะโดยตั้งใจแล้วไม่ตั้งใจก็ตาม มันจะได้ช่องชิงช่วงช่วงริงเราไปเลยไปสู่ในอาบายไม่ว่าจะไปอาบายช่วงสั้นก็ไม่ควรไปไปเกิดเป็นจริงจบตุกแกอยู่ในภูมิสถตนชานช่วง ส, สั้นหรือเป็นยุงแค่เจ็ดวันเนี่ยมันก็ยังไม่ควรจะไป ยิ่งไปเป็นเปร เ, เป็นอสุรกายชีวิตยิ่งยาวนานลาบากมีความทุกข์ทรมานเยอะไปยมโลกก็ไม่เหมาะเพราะมันเล่าร้อนและก็ยาวนานทุกข์ทรมานมากไปขุมบริวารหรือมหานรกก็ไม่ต้องพูดถึงนันละทุกคตนะิเป็นที่เดียวที่ไม่ควรจะไป ที่จะไปอยู่เระไม่ควรจะไปเลยหรือไปมีชีวิตอยู่ในอบายเนี่ยไม่ควรไปที่ควรไปคือสุคติภพยิง่งแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ยังดีได้มาสร้างบา ร, รมีกันต่อหรือมาเป็นภ um ูมิเทวารุกะเตวากาสะเตวามันก็ยังดีกว่าไปอบายภูมิแต่ไปสวรรค์ ตั้งแต่ฉันจตุมาราชกาเดาวดึงยามาเรื่อยไปน่าไม่ต้องพูดถึงนะถือว่าดีมากๆสำหรับชีวิตของนักสร้างบารมีที่จะไปพักชั่วคราวในระหว่างที่เราได้เหน็ดเหนื่อยกับการสร้างบารมีทีกายมนุษย์มาแล้วนะนี่มันสำคัญอย่างนี้นะลูกนะ เพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดเนี่ยต้องทำความคุ้นเคยเอาไว้ให้ดีไม่ว่าเราจะเบื่อแล้วไม่เบื่อก็ตามชอบแล้วไม่ชอบก็ตามต้องทำความคุ้นเคยเอาไว้นะไม่ใช่พอนึกม่เห็นแล้วเราก็เลยขี้เกียจเบื่อแล้วก็เลิกอย่าไปคิดอย่างนั้นนะลูกนะเราทำในพืชตวงเราเองนะไม่ใช่เพื่อใครเลย ถ้าเราไม่รักตัวเองนี่อันตรายเพราะฉะนั้นเน่ยอย่าเบื่อหน่ายอย่ากิเกียดในการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเพื่อทําความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังนั้นต้องทําบ่อยๆการบ้านที่ให้ไปนั่นแหละทําให้ครบก็ต้องทำให้มันเกือบครบแต่มันสม่ำเสมอทุกวัน ยาขาแล้วไม่แต่วันเดียวนะจะให้อะไรมาเป็นข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขนะจ๊ะแล้วก็ธรรมชาติของใจเนะี่ยท่านนึกถึงอะไรบ่อยๆแล้วมันจะจําแม่นแล้วก็จะนึกได้ง่ายไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามถ้าทําบ่อยๆแล้วมันจะจําได้แล้วมันก็จะทําได้ จะพูดถึงเรื่องดีๆที่ศู์กางกายฐานที่เจ็ดตละนึกบ่อยๆทำบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นดวงใสๆหรือองค์ละใสๆนึกบ่อยๆทำบ่อยๆจากยากกลบมาเป็นง่ายจากง่ายก็มาเป็นได้ เดี๋ยวมันก็ได้จากมืดก็มาสว่างจากไม่ชัดมันก็ามาชัดเดี๋ยวมันก็ามาชัดเองเละไราทารธรรมบ่อยๆทำทุกวันวันละหลายๆครั้งที่เรานึกได้ที่เรารักตัวเองนะ่นึกไปเลยดวงใสๆขนาดใจใหญ่จะเล็กแค่ไหนล้วก็นึกๆไปก่อนนะ ช่วงไหนชอบดวงเล็กก็นึกดวงเล็กช่วงไหนชอบดวงใหญ่แล้วก็นึกดวงใหญ่ช่วงไหนชอบนึกองค์พระแล้วก็นึกองค์พระช่วงไหนอยากนึกองค์เล็กแล้วก็นึกองค์เล็กช่วงไหนอยากนึกองค์ใหญ่แล้วก็นึกองค์ใหญ่นึกว่าท่านเป็นแก้วไม่ได้แล้วก็นึกให้เป็นโลหะก็ได้เป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนเป็น อะไรก็ได้ทางนั้นเป็นโลหะอะไรก็ได้ฝึกฝนไปค่อยๆฝึกค่อยๆนึกค่อยๆ ค, ค, คิดในทุกอรายาบทที่เราระลึกได้นะฝึกไปเรื่อยๆไม่ได้ก็ให้มารู้ไปไม่ช้าเราก็จะสมหวังนะลูกน ะ, ะนี่สำคัญทีเดียว ในตอนนี้ก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใสอใจยหยุดจนในกลางดวงใส่ใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใจยหยุดก็บในกลางองค์พระใสใส่าให้ใจซัดสสยไปที่อื่นอย่าให้มันฟุ้งกระจายไปจิตจะไม่มีพลังไม่มีกำลังหยุดนิ่งนิ่งให้ใจใสใส จะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังประกอบไปด้วยก็ได้หรือถ้าหากเรามีกวัวรู้สึกว่าไม่ภาวนาแล้วสบายใจกว่าเราก็ไม่ต้องภาวนาวางใจเบาๆหยุดเบาๆนิ่งเบาๆสบายๆายโลนติตาเราอยู่ในระดับองศาเดิมที่เดิม ไม่ต้อไปเลือบลงตามไปดูไอ้ที่เดิมให้ทําเหมือนเราแอ บ, บมองดูดวงดูองค์พระนิดนิดเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะดูนั่นแหละคือวิธีดูที่ถูกวิธีแต่จะดูเข้าไปในกลางกายซึ่งเราไม่่อยคุ้นเคยจะคือเหลือบตาลงไปดูก็เท่ากับโกดโลูกในตาอย่างนี้ผิดวิธี อย่างนี้ปวดตาปวดกระบอกตาเมื่อยตึงนั่งก็ไม่มีความสุขเราลองนึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรม ก, กายท่านกลับให้เราเลือกตาช้อนค้างขึ้นไปข้างบนได้ซ้ำปาปช้อนค้างเพื่อให้ความเห็นมันกลับเข้าไปใครใน ทำบอกให้ช้อนตาเหลือค้าเงินไปเหมือนเรามองตายไปตามหน้าผากกรหลกศีษรษะพัจนสุดที่เราเหลือกต่อไปไม่ได้แล้วแล้วก็ให้ความเห็นกลับกข้าไปข้างในแล้วก็ปล่อยลูกในตาเป็นปกติจะไปเหลือบลงต่ำ คือลูกในตาก็ยังอยู่ที่เดิมนั่นแหละปล่อยให้เป็นปกตินีนหลวงปู่ท่านสอนงี้นะให้นิ่งปล่อยให้เป็นปกติในที่เดิมท่านบอกไว้เอาไว้ที่เดิมเพราะนั้นจะเลือบต่ำจนกลายเป็นกฎแล้วก็เหมือนจำเืองแอบมองนิดนิดเหมือนแอบมองนิดนิด ทำตามลุงพ่อไปนะลุงนะค่อยๆทาตามไปเราจะไปกังวลเรื่องเวลาเ น, นี่ยเหมือนแอบมองนิดๆโดยลูกในตาอยู่ที่เดิมเนี่ยลองนึกดูเห็นไม่เจ้าว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดหรืออย่างที่เราเคยทำนะ และก็รักษาความนิ่งตรงนี้เอาไว้ให้ได้ตลอดเวลาด้วยใจที่เบิกบานด้วยเนี่ยมันต้องมีตรงนี้ด้วยเดินไปคํานึงถึงว่าเราจะได้ไปรู้ไปเห็นอะไรอย่างที่ได้ยินได้ฟังเอาแค่ว่าตรงนี้เราทําให้มันถูกหลักวิชาซะก่อนแล้วก็นิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆ สบายสบายนิ่งไปเรื่อยๆสบายๆอากาศตอนช่วงนี้กำลังดีทีเดียวเราก็นิ่งใช้ๆอะลองนิ่งสักสิบนาทีนะลูกนะอลองหยุดนิ่งๆสบายๆ ส, ส่วนคนที่เขาทำได้แล้วมันก็ไม่ยากอะไรแล้วล่ะก็ทำเป็นแล้วใจมันไปติดอยู่ตรงกลางแล้ว พอใจติดมันก็ติดใจพอใจติดแล้วมันก็ติดใจแล้วชอบอยู่ตรงนั้นแล้วใจมันก็ไปไปไหนเขาทำได้ก็ททำเป็นแล้วก็ง่ายทีนี้ของเรามันยังไม่เป็นหรือมันเกือบจะเป็นหรือเป็นเป็นทีทีมันก็ต้องเริ่มตอนตรงนี้ซะก่อนอย่าเพิ่งไปนึกถึงตอนที่มัน ยากหรือที่คนอื่นก็ทำได้อยวเพิ่งไปนึกตอนนั้นเอาตอนนี้ก่อนถ้าทำตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็ทำตอนนั้นได้ตรงนั้นก็ได้มันก็ไม่ได้ยากอะไรอยู่ที่การฝึกฝึกนะลูกนะฝึกนิ่งๆเอาลองฝึกดูค่อยๆดวงใสๆเราจะเลือกตาช้อนค้างกี่ครั้งก็ได้ อ่ะช้อนครั้งแลมันไม่ได้เรื่อนอาช้อนกันไปสองอย่างสบายๆหรือจะนึกเป็นฝนดวงแก้วหล่นลงมาจากฟ้าฟ้าเยอะแยะนับกันไม่ไหวมันก็ต้องมีสักดวงหนึ่งหนาที่มันหล่นลงมาตรงกลางจะ น, นึกภาพองค์พระเยอะแยะซึ่งเรานึกเห็นแต่มันยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไร เอาค่อยๆนึกนึกไปก่อนนะลงนะค่อยๆนึกอย่างสบายๆดวงแก้ไมีเยอะแยะแล้วก็นึกเอาองค์พระค่ยเยอะด้วยเราจะนึกให้ตัวเราใสาเป็นเพชรด้วยก็ยิ่งดีว่ากายของเราตอนนี้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วไปบากกรรมวิบากมารอุปสรรคไม่มีเลย สิ่งที่ชั่วชั่วที่ไม่ดีไม่มีเหลือเลยเร่างกายจึงใสเป็นเพชรอาจอย่างนี้ก็ได้ใสเป็นเพชรพอเรานึกให้ใจเราสบายเป็นเพชรแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้างในมันก็เป็นเพชรเองข้างในไม่มีตับไตเส้นพุงก็เป็นเพชรเป็นดวง องค์พระเพชรเพชรที่ดูเป็นดวงกลมๆทําดูนะลูกนะอาถาสักนิดนึ่งหนึ่งหสบายสบาย